การปฏิบัติธรรมหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตที่นี่เราก็จะให้ความสำคัญกับสติจะเรียกว่าเป็นอันดับแรกเลยก็ได้เพราะว่าสตินี่มีความสำคัญมากในการสร้างดุลยภาพหรือความสมดุลให้แก่ชีวิตของเราอย่างที่พูดไปแล้วเมืม่อวาน อันนี้ก็เห็นได้จากหลักธรรมเรื่องอินรีย์5อินสีห้าเนี่ยคือว่าธรรมะที่สำคัญในการดาเนินชีวิตที่ควรเป็นใหญ่อินสีนี้แปลว่าเป็นใหญ่จะมีอยู่สองคู่นะคือศรัทธาและปัญญาแล้วก็วิริยะกับสมาธิศรัทธานี่ถ้ามีมากไปปัญญาน้อยก็ไอ่ทำให้งมงายได้ ในทางตรงข้ามถ้าปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยก็อาจจะทำให้เป็นพวกที่ถือตัวถือตนไม่ลงให้ใครแล้วก็อาจจะทำให้หลงทิศหลงทางได้ต้องมีพอดีพอดีวิทยะมากไปก็ฟุง้งซ่านก็เลต้องมีสมาธิเข้ามาช่วยแต่สมาธิมากไปก็อาจจะทำให้ไม่อยากจะทำอะไร เพราะว่ากลัวทำให้ใจไม่สงบก็กลายเป็นคนเฉยเหนื่อยหรืออาจจะกลายเป็นคนที่ไม่อยากรับผิดชอบงานการก็ต้องมีวิริยะเข้ามาช่วยกำกับถึงจะได้เกิดความพอดีแต่ว่าสตินี่จะอยู่อยู่เดียวๆนะไม่ต้องมีคู่มากำกับเพราะว่าสตินั้นเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลอยู่แล้วแล้วก็ช่วยทำให้ ศรัทธาและปัญญาคู่กันได้อย่างพอดีพอดีแล้วก็ช่วยทําให้วิริยะกัสมาธีนี้มีอยู่อย่างพอดีหรือว่าสมดุลอันสตินี่ถึงสําคัญมากนะเป็นตัวที่สร้างสมดุลหรือดุลยภาพให้แก่ชีวิตของเรารวมทั้งองค์ธรรมต่างๆที่จําเป็นให้อยู่ในความพอดีคือความสมดุลสตินี่มีความสําคัญ มากแต่ว่าเรามักจะมองข้ามไปถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับเป็นพระรองที่เราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสตินี่คือพระเอกนะมีความสำคัญสำหรับเราอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเพราะถ้าเราไม่มีสติเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าเรานี้เป็นลมไปแล้วเราเรียกคนที่สลบสลายเป็นลมว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวเลย คนที่ไม่มีสตินี่ก็เรียกว่าทำงานไม่ได้เลยเพราะเป็นลมไปแล้วสลบสลายไปแล้วจะทำอะไรได้แต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่ก็เกิดความตื่นขึ้นมาตื่นจากความสลบสลายแล้วก็รวมทั้งตื่นจากความหลับด้วยนะเวลาเราหลับเนี่ยเราก็ไม่มีสติเหมือนกันนะแต่อันนั้นเนี่ยร่างกายมันก็ รู้หน้าที่นะพอตื่นขึ้นมาสติก็ทำงานได้แต่บางครั้งเนี่ยหลายคนตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับหลับอยู่นะเพราะว่าลืมตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าถูกความทุกข์ครอบงำตื่นจากหลับแต่ว่าเอาแต่เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันทำงานอันนี้ก็เรียกว่าเพราะ ขาดสติได้เหมือนกันนะคือมีสติพอที่จะให้ตื่นจากความหลับได้ทํางานทําการต่างๆได้แต่ยังตื่นไม่เต็มที่เพราะว่าความทุกข์เข้าไปครอบงําความเศร้าความโศกนะครอบงําอยู่หรืออจจะเป็นความโกรธก็ได้คนที่ทั้งวันนี้เอาแต่โกรธนะหงุดหงิดอันนี้ก็เรียกว่าสติพร่องไปนะ หรือจะเรียกว่าขาดสติก็ได้แม้แต่คนที่ฟุ้งซ่านจมอยู่ในความคิดจากเรื่องนั้นมาเรื่องนี้จากเรื่องนี้มาเรื่องโน้นทั้งวันนี้จมอยู่กับความคิดฟุ้งซ่านคิดซ้ำคิดซากนะคิดวนไปเวียนมาอันนี้ก็ถือว่าสติพร่องหรือขาดสติได้เหมือนกันเพราะว่าทำให้เรานี่ไม่ตื่นเต็มที่ ความตื่นแบบที่เรียกว่ารู้สึกตัวเต็มที่นี่ก็เป็นเป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันไม่ใช่เพียงแค่ให้ฟื้นจากความสลบสไลด์อนาสติยังเรียกว่าทํางานได้เพียงแค่ครึ่งเดียวหรืออาจจะหนึ่งในสี่ด้วยซ้ำและส่วนใหญ่แล้วก็พอใจแค่นั้นแหละคือให้สติทํางานแค่หนึ่งในสีตื่นขึ้นมาจากความหลับหรือจากความสลบสลด์แล้วก็นอกนั้นก็ปล่อยให้ ความคิดความรู้สึกต่างๆเข้ามาครอบงำจนกรทั่งไม่มีความรู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็อยู่ในความหลงนะแม้ว่าตาจะเปิดอยู่แม้ว่าจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็ตามแต่ก็ยังเรียกว่าเป็นความหลงหรือความหลับแต่แล้วเป็นความหลับสีขาวก็ได้นะมันไม่มืดเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราต้องฟื้น ให้ความสมัครกับสติในฐานะที่เป็นพระเอกบางไม่ใช่พระรองบางคนนี่ก็พอใจเพียงแค่ว่าเออฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่หมดสติแค่นี้ก็พอแล้วสติที่มีอยู่ก็พอที่จะทำอะไรได้แล้วแต่ไม่พอหรอกเรายังเป็นที่ต้องฟื้นหรือว่าจเจริญสติให้มากขึ้นจากความสามารถที่มีหรือใช้เพียงแค่หนึ่งในสก็ต้องอย่างน้อยก็ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น เรื่งหนึ่งสาใน4หรือท่าดีวส่คือว่าให้สติเจริญเต็มที่เว่าถ้าสติเจริญเต็มที่แล้วนี้ก็สามารถที่จะพาให้จิตของเรานี้เป็นอิสระจากความทุก์จากกองทุกสิ้นทั้งมวลได้ทําให้เราตื่นจากความหลงขั้นพื้นฐานคือความหลงหรืออวิชชาที่ยึดถือสิ่งต่างๆยึดมั่นถือมั่งกับสิ่งต่างๆ ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยึดมั่นสำคัญหมายจนกระทั่งทำให้ชีวีของเรานี้ระหกระเหินจมอยู่ในความทุกข์เพาะเมื่อประสบกับความพลัดพรากสูญเสียเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจอยากก็เป็นทุกข์ทุรนทุรายเรามีความหลงขั้นพื้นฐานอยู่ซึ่งรอวันที่เราจะต้องเปิดใจให้เห็นความจริงให้เข้าใจสัจธรรมขั้นพื้นฐานเลย แต่ว่าก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกสติให้มีความระลึกได้ที่รวดเร็วฉับไวเพราะความระลึกได้นี้ก็ทํทำให้เรารู้ตัวหรืออย่างน้อยก็รู้หน้าที่รู้ว่าควรจะทำอะไรสติคือความไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยนะมันมีความหมายหลายแงย่ไม่ลืมตัวไม่ลืมกำเพื่อนไม่ลืมร่งงางเงานะ ไม่ทำตัวมันวัวลืมตีนอันนี้เราก็คือเป็นหน้าที่ของสติอันหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ความไม่ลืมตัวในแง่นี้มันยังหยาบอยู่ไม่ลืมกำพื้นไม่ลืมร่างเง่าอันนี้บางคนก็บอกว่าฉันไม่ลืมหรอกนะฉันรู้ว่ากำพื้นของฉันเป็นยังไงฉันไม่ถือเนื้อถือตัวฉันไม่หลงตัวลืมตนในแง่นี้ก็ดีแล้วแต่ว่าเร า, า จ, จะหลงตัวลืมตนในเรื่องอื่นได้ ความไม่ลืมเนี่ยนะที่เรียกว่าสติเนี่ยมันทำงานในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็พอจะมาปฏิบัติมาเจริญสติก็เลยสงสัยว่าไอ้สติมันคืออะไรกันแน่น้าทีของสติคือทำให้เราเระลึกได้อย่างเช่นเรากำลังทำงานกำลังเพลินอยู่เสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านัดเพื่อนเอาไว อีกห้านาทีถึงเวลานัดแล้วกําลังทํางานเพลินๆหรือว่ากําลังฟังเพลงเพลินๆระลึกได้ขึ้นมาให้ตัวที่ทําให้ระลึกได้นั่นแหละคือสติและการระลึกได้แบบนี้นี่มันไม่ต้องอาศัยความพยายามนะสติเข้ามาทํางานเองมาเตือนเองแต่เราก็สามารถที่จะทำให้สติเนี่ยทำงานได้เหลือขึ้นด้วยการระลึกอยู่บ่อยๆเช่นขณะที่ทํางานก็ร ะ, ะลึกว่าเออ เดี๋ยวอีกสี่โมงเย็นนี่เรามีนัดนะหรือว่าขณะที่กำลังรีดผ้าก็ระลึกอยู่ว่าเออมนี่เราตั้งน้ำไว้นะอีกสักสินาทีนะไอ้การระลึกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้พอถึงเวลาสติก็เตือนขึ้ น, นมาเลยเหมือนกับนาฬิกาปลุกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจและถ้าเราฝึกสติให้ไวให้เร็วอย่างนี้เนี่ยเาจะทางานได้อย่าง อย่างที่ยิบมากเลยอย่างเวลาเราจมอยู่ในความทุกข์ความโกรธความเศร้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยเราลืมตัวไปแล้วเราอาจจะยังทำงานได้ยังพูดได้ยังคิดได้แต่ว่าใจเนี่ยถูกครอบด้วยอารมณ์ความคิดที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นมาได้อย่างเต็มที่อันนี้พราะไม่มีสตินะเมื่อใดก็ตามที่เราจมอยู่ในความคิด จมในความคิดในความโกรธเนี่ยให้เราลึกไว้ได้ว่าให้รู้ว่าเนี่ยเราเราลืมตัวแล้วเราจมเข้าไปในความทุกข์เราจมเข้าไปในความคิดเราจมเข้าไปในความโกรธแต่ถ้ามีสติรวดเร็วฉับไวเมื่อสติก็จะเตือนให้เรารู้ให้เรารู้แล้วก็ดึงจิตออกไปจากอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราโดยเพราะความทุกข์ทางใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความหลงนะเพราะความลืม ทั้งนั้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าสติเนี่ยเราไม่แข็งแรงไม่รวดเร็วฉับไวเพียงพอเพราะถ้าสติของเรานี่รวดเร็วฉับไวเราระลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้นี่เรากำลังโกรธนะนี่เรากำลังโมโหนะนี่เรากำลังเศร้าโศกนะไอ้ความระลึกได้ตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราสลัดความโกรธความเศร้าหรือว่าความคิดฟุ้งซ่านนั้นออกไปได้บางอย่างมันครอบเราไว้ นะแต่มันเป็นสิ่งที่เคขาเรียกว่าเป็นความมืดสีขาวนะเป็นความมืดสีขาวซึ่งถ้าสติของเราไม่ไวพอเนี่ยมันก็เราก็ไม่ไม่ระลึกหรอกมองไม่เห็นหรอกว่าไอ้ความมืดสีขาวนี่มันมันครอบจิตครอบใจของเราอยู่แต่ถ้าสติไวเนี่ยเราจะรู้เลยทันทีว่าเมื่ออารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจิตของเราเสียความปกติไปมันจะเสียสมดุลไป แต่ส่วนใหญ่ลิ้นเนิบเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยได้รู้จักได้สัมผัสกับความเป็นปกติของจิตเราไม่ได้รู้จักความปกติของจิตไม่คุ้นไม่เคยกับความปกติของจิตจิตของเรานีิเอียงกระเทเร่ไปไปนานแล้วพอมันเอียงไปเองนิดเพราะความโกรธเพราะความทุกเนี่ยไม่รู้สึกหรอกเมื่อนคนที่เดินตัวเอียงเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาเดินตัวเอียงบางทีหมอบอกเพื่อนบอกไม่เชื่อนะว่าเธอเดินตัวเอียงคอเอียง ต่เมื่อหมอหรือเพื่อนนี่ถ่ายวีดีโอให้ดูถึงเชื่อนะบางทีดูก็ะจกแล้วยังไม่เชื่อนะอันนี้เพราะว่าเราเราทําจนเป็นนิสัยไงเราลืมไปแล้วว่าไอ้ความปกตินะมันเป็นอย่างไรแล้วคนที่อยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยจิตเอียงจิตเอียงแบบบางทีเอียงกระเท่เลยเลยนะจิตเสียสมดุลไปแล้วไม่รู้พอมีความทุกข์เข้ามาซ้ำอีก ทำให้จิตนี้เสียปกติมากไปอีกก็เลยไม่ทันสังเกตนะแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆหัดรู้ทันความคิดหัดรู้ทันความรู้สึกแล้วก็สามารถที่จะสลัดสิ่งเหล่านั้นออกไปได้นเนี่ยคือเลิกแบกนะจิตก็กลับคืนสู่ความปกติและพอมีอะไรมากระทบจิตเข้าไปนะทำให้จิตนี้เสียความปกติไปหรือแค่กระเพื่อมเท่านั้นแหละก็รู้ทันที เพราะว่ามันคลาดออกจากความปกติไปเหมือนกับเครื่องช่างน้ำหนักที่ละเอียดมากเลยละเอียดขนาดที่เรียกว่าบางทีมีมีเศษฟางเศษหญ้ามามาตกเนี่ยหรือใบไม้มาตกนี่มันก็สั่นแล้วก็บอกได้ว่านี่มันมีเศษใบไม้อยู่บนตาช่างแล้วเครื่องช่างที่ละเอียดขนาดนี้มันมีแต่ถ้าเครื่องช่างที่ไม่ละเอียดนี่เอาหินมาวางว่ายัง ยังไม่กระดิกเลยเข็มยังไม่กระดิกเลยอันนี้อาการของคนที่สติไม่เจริญเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าแบกเอาความทุกข์เข้าไปแบกเอาความกลัวเข้าไปแบกเอาความเศร้าเข้าไปยังไม่รู้เลยเข็มยังไม่กระดิกเลยนี่พอสติไม่ไม่พัฒนาแต่ถ้าสติพัฒนาเนี่ยรู้ทันทีแล้วว่าเนี่ยมันมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมันมีสิ่งกดหน่วงทับจิตเอาไว้แล้ว แล้ยิ่งสติไวขึ้นไวขึ้นในแม่แม่แต่จะเป็นความคิดความฟุ้งซ่านเพียงเล็กน้อยที่เผลอนึกเผลอแว บ, บขึ้นไปก็รู้ทันทีเพราะอะไรเพราะจิตระลึกได้ระลึกได้ถึงความปกติซึ่งมันมันหมดไปมันมันเสียไปรวมทั้งระลึกได้ถึงลักษณะของอาการต่างๆระลึกได้ถึงอาการที่มันเป็นความกดหน่วงท่วงทับเอาไว้ คนที่อยู่กับความกับอารมณ์คนที่จนเคยชินเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่านี่แหละคืออาการกดหน่วงทวงทับเอาไว้หรือความหมองความความหนักอึ้งของจิตเพราะอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆเราลึกอารมณ์เราก็จะลึกรละลึกอารมณ์นี้ได้บ่อยๆจะจําได้พออาการนี้เกิดขึ้นกับจิตก็รู้ทันทีมันเหมือนกับเชื้อโรคอะที่เข้ามาในร่างกายถ้าภูมิคุ้มกันมัน เคยเจอเชื้อโรคอย่างนี้มาก่อนจะจําได้ดังนั้นพอเข้ามาอีกทีแล้วก็สามารถที่จะขจัดเชื้อโรคนะั้นออกไปได้แต่ถ้าเป็นเชื้อตัวใหม่ๆ ม, ม, มาเนี่ยนะภูมิคุ้มกันนี่เอาไม่อยู่เลยเพราะไม่เคยเจอจําไม่ได้คนรั้นที่เจอหวัดนกหรือซาหรือไข้หวัดชนิดใหม่เข้ามานี่ก็เสร็จก็จะป่วยทันทีภูมิคุ้มกันมันจําไม่ได้เพราะมันไม่เคยเจอ แ, แล้วนี้ถ้าเราเจอความทุกข์บ่อยๆนี่ถือว่าเป็นของดีนะเจอแล้วเห็นอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆจะจําได้เมื่อจําได้แล้วพอมันเกิดขึ้นกับใจก็เราลึกได้ทันทีว่าเนี่ยไม่ใช่แล้วแล้วยิ่งเราลึกได้จําได้ถึงความปกติว่าความปกติของจิตเป็นยังไงพอจิตเสียสมดุลไปเพียงแค่มีแรมากระทบทําให้จิตกระเพื่อมเขาก็รู้ทันทีให้การเจริญสตินี่สําคัญมากที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย รู้ทันความทุกข์ของเรานะรู้ทันความทุกข์ที่เกิดมาจากความรู้สึกนึกคิดที่มันเสียสมดุลไปแล้วก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีจิตใจโปร่งโล่งเป็นปกติอยู่เสมอได้เราไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะใจของเราใจของเราที่ไปยึดเป็นเหนียวเอาสิ่งต่างๆเอาไว้ไปแบกแบกแล้วไม่ยอมวางหินทั้งก้อน แบกเอาไว้ในใจนะบางทีก็ยังไม่รู้แต่ว่าไออารมณ์เนี่ยมันยิ่งกว่าหินสิคือมันไม่มีน้ำหนักก็จริงมองไม่เห็นก็จริงนะแต่เวลามันกดทวงหนวงทับนี่หนักนาสาหัดมากและที่มันก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเราแบกก้อนหินเนี่ยยังไงยังไงมันก็เท่าเดิมแหละเพียงแต่เราจะรู้สึกหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะว่าเราเหนื่อย แต่อารมณ์เนี่ยนะก้อนอารมณ์เนี่ยนะถ้าเราแบกมันเอาไว้เนี่ยแล้วเราเราไม่รู้ตัวเนี่ยไอ้ก้อนอารมณ์มันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะเราปรุงแต่งการที่เราปรุงแต่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งในเรื่องเดียวกันเช่นเราโกรธใครก็ตามเรานึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆนึกถึงเขาอยู่เรื่อยๆไอ้ความโกรธมันจะเพิ่มทวีจากทวีเป็นตรีคูณเลยก็ได้มันจะเพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคนที่ที่น้อยอกน้อยใจ เวลานึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อย อ, อกน้อยใจมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าไม่หยุดไม่ยั้งมันอาจจะพาเราถึงกับทําร้ายตัวเองได้หรือทำร้ายคนอื่นได้คนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะปล่อยให้อารมณ์ก้อนอารมณ์นี่มันเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องรู้จักต้องระลึกมาอยู่เสมอว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกนะ แตมีที่ใจของเราคนที่เขาว่าเราคนที่เขาตําหนิเราเขาพูดเขาแล้วเขาก็ไปและคําพูดมันก็ลอยไปเราหายไปกับอากาศสัานแล้วเวลาเราพูดแต่ละคําแต่ละคํานี่ถ้าไม่จดไ ม, ไม่บันทึกเอาไว้ไม่ไว้ในความจํามันก็หายไปแต่ใจเราต่างหาที่ไปจําเอาไว้ไปจํำแล้วไปยึดเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วก็มาปรุงแต่งต่อเรื่อยๆมันเหมือนกับฉายหนังซ้ําซ้ํำไปซ้ํามาแล้วก็ยิ่งซ้ําไปซ้ํา มันก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนไอ้วิดีโอหรือว่าซีดีนะฉายไปฉายไปมันยิ่งพร่ายิ่งเลือน <c oughs> แต่ไอ้ความจําของเราเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยยิ่งนึกซ้ําไปซ้ํำมา ก, มก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็แรงขึ้นแล้วก็ทิ่มแทงใจของเรามากขึ้นเรื่อยๆนี่แล้วเราปล่อยให้ทำเช่นนี้ได้ไงเพราะเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะเราไม่รู้ตัว ความคิดเร า, า จ, จะรู้นะความคิดเร า, า จ, จะรู้ว่าไอาแบบนี้ไม่ดีนะแต่ใจซึ่งไม่ได้ฝึกสติว่ามันก็จะไม่รู้เลยเวลาเห็นคนอื่นทาอย่างเดียวกับเรารู้เลยนะไอนั้นไม่ดีแต่ว่าเราเราเป็นอย่างนั้นเองบ้างเรากลับไม่รู้ตัวแล้วก็แต่คลํำครวนเศร้าโศกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอาศัยคนเนี่ยมาช่วยเตือนสติแต่กว่าคนจะมาเตือนสติเราได้มันก็ช้านะเราต้องมีสติที่ สามารถจะช่วยตัวเราเองได้คือพึ่งตนเองได้โดยการฝึกสติเอาไว้ให้สติของเราไวนะพอที่จะมาเตือนเราได้เหมือนกับสัญญาณกันขโมยนะที่เพียงแค่คนนี้จะเป็นใครก็ตามจะเป็นโจรก็ตามจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามนะเปิดประตูเข้ามาในบ้านสัญญาณกันขโมยก็ส่งเสียงบอกเรา ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทันทีถ้าไว้ได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีทางที่ใครจะมาปล้นบ้านเราได้สมัยก่อนก็เปรียบเหมือนกับว่าสติคือยามเฝ้าเมืองนะแต่มันชาไปแล้วนะสมัยนี้ต้องเรียกว่าต้องเปรียบเหมือนกับสัญญาณการขโมยที่ไวมากนะใครมาเข้ามาในบ้านจะเป็นเพื่อนก็ดีจะเป็นศัตรูก็ดีจะเป็นโจรก็ดีจะเป็นคนรู้จักก็ดีก็รู้หมดนะ สติทำหน้ที่อย่างนี้นะเตือนเราสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีใจก็รู้นะเสียใจก็รู้ปิติก็รู้เศร้าโศกมณ์หมองก็รู้นะไม่ใช่รู้แต่เฉพาะไอตัวความทุกข์หรือาอารมณ์อกุศลเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็รู้รู้แล้วก็วางนะเพราะว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยเช่นความดีใจความปิติเนี่ยไม่ใช่ว่า ถ้าเราเผลอไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็ทุกข์ได้เหมือนกับเพื่อนมาเราก็ดีใจคนมาอยู่วัดเนี่ยเวลาเพื่อนมาโอ้ดีใจมากเลยแต่ยิ่งดีใจมาเท่าไหร่ก็เสียใจมากเท่านั้นพอถึงเวลาเพื่อนไปก็หงอยตมามาใหม่ๆที่นี่เวลาเพื่อนมาจากกรุงเทพดีใจแต่พอเพื่อนไปนี่วันนั้นทั้งวันก็หงอยไปเลยเศร้าซึมแล้วก็จับตอนลังก็จับได้วันนี้เป็นพราะเราไปดีใจ ถ้าเราไม่อยากหงอยไม่อยากเหงาไม่อยากเศร้าซึมก็อย่าไปดีใจมากเวลาเพื่อนมาอย่างสตินี่ทาหน้าที่นี้คือช่วยเตือนให้เรารู้ทั้งอารมณ์ฝ่ายบวกฝ่ายลบนะรู้ทั้งอาการฟูและอาการแฟบ ร, รู้แล้ววางนะฟูนี่ก็ไม่ดีนะดีใจนี่เราไปยึดมันก็ไม่ดีนะไปคุกเข้าครอคเรกมันก็ไม่ดีพอถึงเวลามันสางไปมันซาไปก็เศร้าเสียใจนะคนที่หัวเราะ ดังมากเท่าไหร่ก็ร้องไห้ดังมากเท่านั้นมันคู่กันพระเจา้จาตรัจว่าเนี่ยคนที่คนที่เพลิดเพลินย่อมประสบความทุกข์คือความเพลิดเพลินกับความทุกข์มันไปด้วยกันคนทุกข์ก็คือคนที่เคยเพลิดเพลินมาก่อนเพลิดเพลินวันนี้ก็ต้องทุกข์วันหน้า ม, มันของคู่กันเฉั้นการที่รู้จักอาการฟูและการแฝบของจิตนี่มันต้องรู้คู่กันไปไม่ใช่รู้แต่เฉพาะอาการแฝบหรือว่าความทุกข์หรืออกุศลเท่านั้น อันนี้แหละสติช่วยทำให้เราเรารึกได้และการเราลึกได้ก็จะทําให้เราวางมันได้เป็นลําดับไปอันนี้ก็คิดว่าคงเป็นเรื่องที่เราคงจะได้เห็นกันสังเกตได้จากการปฏิบัติอยู่แล้วนนั้นก็ขอให้ทําไปเรื่อยๆ